ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมมนุษย์และสัตว์ย่อมมีหัวหน้ามีผู้พาดำเนินคอยฟังเสียงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มีเป็นคติของโลก และถังเป็นมาอย่างนี้แม้แต่สัตว์ดิบหรือฉนก็มีหัวหน้าซึ่งเป็นจุดรวมของบริษัทบริวารทั้งหลายทั้งมนุษย์และสัตว์ยังมีหัวหน้ามาโดยหลักธรรมชาติ เรื่องศาสนาก็มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและนำศาสนธรรมออกมาประกาศสอนโลกอันนี้สำคัญมากมีความสำคัญทั้งสามแดนโลกธาตุเกี่ยวโยงกับศาสนธรรมและองค์ศาสดาทั้งสิ้นโลกหัไม่มีศาสนาเลย เป็นเครื่องยิบเหนี่ยวให้มีฮิริโอตตาปะภายในจิตใจแล้วย่อมเป็นโลกที่เดือดร้อนวุ่นวายมากที่สุดเฉพาะมนุษย์เราเจาะก่อความเดือดร้อนให้แก่กันได้มากมายชิบหายปนปี้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทำอันตรายต่อกันซิเพราะมนุษย์มีความเฉลียวฉลาด เครื่องม้เครื่องมือที่จะก่อความพินาษยิบหายแก่กันนั้นมีเนื้อสัตว์ทั้งหลายไม่มีสัตว์ประเภทใดจะสู้มนุษย์ได้ที่โลกพอพยุงกันมาได้นี้ก็เพราะมีาศาสนาธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เป็นเรื่องให้ระลึกรู้ว่าบาปบุญคุณโทษพระจาไปกันนรกสวรรค์ซึ่งล้วนแต่เป็นความจริงของจริงรวนๆที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงนำมาประกาศสอนโลกว่านี้โลกจึงพอได้ยิบเหนี่ยวคนชั่วกับคนดีจึงมีสับปนกันไปไม่มีแต่ชั่วไม่มีมแต่ชนิดมืดหนาสาหดจนเกินไป ยังมีดีมีชั่วค่อยรั้งยุ่อเหนี่ยวรั้งกันไว้พอพยุงตัวมาได้เท่าที่เป็นอยู่เวลานี้สมัยใดที่คนมีความสนใจใคร่ต่อศาสนามากสมัยนั้นการ น, นั้นความสงบร่มเย็นแก่โลกก็มีมากสมัยใดที่โลกได้ห่างเพ้นจากศีลธรรม ในขณนะดเดียวกันก็ใกล้ชิดติดพันกับสิ่งที่เป็นพืนเป็นไยเป็นไฟสมัยนั้นโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายมากโดยลําดับตามไปตามจิตใจที่เสื่อมจากความดีทั้งหลายและใกล้ชิดสนิทกับฝ่ายชั่วที่จะก่อเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายโลกกับธรรมจริงเป็นของคู่เคียงกันมาแต่การไหน ไม่มีใครจะแต่งตั้งหรือลบล้างได้อันนี้เป็นหลักธรรมชาติของทั่วๆไปแห่งโลกคำที่ว่าสุนทกับรหรือพุทธันดรเหล่านี้เกี่ยวกับศาสนาที่มีเป็นมักเป็นตอนขาดไปเป็นครั้งเป็นคราวนั่นเองทําไหม ระยะสมัยใดยที่าศาสนามีสมัยนั้นโลกก็มีความชุ่มเย็นเป็นสุดสมัยใดยที่ไม่มีาศาสนาเลยในหัวใจของสัตว์โลกสมัยนั้นเดือดร้อนมากที่สุดจน ถ, ถึงกับจะไม่พูดได้ว่ามนุษย์และสัตว์แต่เป็นสัตว์โลกันต์สัตว์ไปด้วยกันทั้งนั้น เพราะทำลายกันแบบชิบหายปนปี่ไม่มีชิ้นดีไม่มีที่ยับยัง้งไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวยึดร่างจิตใจเอาไว้โลคยิ่เกิดความเดือดร้อนมากเนี่ยที่ศาสนามีเป็นคู่เคียงกันมา ก, กับโลค ก, ก็เพื่อเป็นการเหนี่ยวร่างกันไว้ไม่ดุลแรงจนเกินไปเช่นเดียวกับโรคที่ไม่มียาและหมอเลยกับโรคที่มียาและหมอ กำกับรักษาย้อนต่างกันอันนี้ย้อนเข้ามาถึงนักปฏิบัติและก็อย่างยิ่งพระกรรมฐานเดาเราสังเกตดูตัวเองก็รู้ว่าขนาดใดระยะใดที่สติหรือปัญญาได้ขาดจากความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับอัดกับทรรม ิตปัญญานั้นจะถูกกิเลนํำไปใช้แล้วย้อนกลับมาทําลายตัวเองไปทุกระยะระยะไม่มีคำว่ายับยั้งทั้งตัวจนกว่าว่าสติที่เป็นธรรมและปัญญาที่เป็นธรรมได้ปรากฏจะติดแนบด้วยความระมัดระวังของตนเองนั่นแหละค่าสิทคือสิ่งโสมมทั้งหลาย เรานั่นจึงจะค่อยจางไปหรือยับยั้งตัวไม่สามารถทะลึ่งเข้ามาได้มีเป็นคู่เคียงกันอย่างนี้เหมือนกันเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมรับใหญ่มีความรู้สึกกันอย่างนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาสังสมกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่สกรปรกโซ ม, มุมและทำความเดือดร้อนเสียหายหแก่เรา แต่ก็ไม่พ้นที่จะเปิดช่องเปิดโอกาสให้มันเกิดมันมีขึ้นมาทําลายเราจนได้สติเราก็มีแต่ถูกมันนําเอาไปใช้เสียปัญญาก็มีแต่ถูกมันเอาไปใช้กลับมาสังหารเราเสียคําที่ว่าสติปัญญานั้นก็ไม่ใช่เป็นสติปัญญาของธรรมกายเป็นสมบัติของกิเลสไปแล้วก็มากลายเป็นข้าศิกต่อเราอีก ถึงเหล่านี้จึงควรคำนึงให้มากนักปฏิบัติทั้งๆ ท, ที่มีาศาสนาประจําใจตามความรู้สึกขรังตนและว่าเป็นนักปฏิบัติแต่หลักธรรมชาติที่มันไม่ประกาศตัวเองนั้นย่อมทํางานบนหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาที่เผลอตัวและกําลังไม่พอมันจะต้องลุกล้ําเข้ามาให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ตัวอยู่นั่นแหละ มันก็รักได้ชังได้เกลียดได้โกรธได้โลภได้ทั้งๆ ท, ที่รู้ตัวเพราะกำลังไม่พอในระยะที่มันผมตัวเข้ามาทับถมเราเต็มที่นั้นกำลังของเรายังไม่เพียงพอรู้ก็รู้เสียใจก็เสียใจ เมื่อได้ฝึกฝนอบรมขึ้นตามดักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยความอุตสาหพยายามและความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นเข็มทิศอันสำคัญแล้วแม้จะล้มลุก ค, ครานขนาดไหนมันก็ตั้งตัวขึ้นมาได้เทียเล็ก จ, จะน้อยด้วยความภาพเพียงพยายางพอมเราจนได้และตั้งตัวขึ้นมาได้ สิ่งที่มีกำลังมากซึ่งเคยเป็นฆาตศึกต่อเรามานั้นจะพอต่อสู้กันไปได้เป็นลำดับมีคาวแพ้ข่าวชนะแต่สู้ไม่ถอยในเรื่องวิริยธรรมสุดท้ายเราก็ชนะไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีฆาตศึกตัวใดอีก จะกล้าหารชันชัยออกมากสู้ต่อหน้าต่อตานอกจากหลบหลีกปีดตัวด้วยความฉลาดแหลมคมของมันเท่านั้นสุดท้ายก็ไม่พ้นสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมที่จะตามประหัสปหารจนแหลกแตกกระจายไปจากจิตใจจนได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุโตขึ้นมาทั้งดวง ซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นมาแตกับใดกันในตั้งแต่ธรรมชาตินี้เป็นตัวผู้รู้มาถูกกิเลสหุมห่อปิดบับงมาจนกระทั่งถึงวันที่กิเลสพัทงทลายลงไปจากใจได้ปรากฏเป็นความรู้ที่อัจฉรย์ขึ้นมาเหนือสิ่งใดใดในโลกนี่เพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นชี่นี้ขอให้ทุกท่านอย่านอนใจในการประพฤติปฏิบัติ มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นของประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งหลายไม่ใช่เป็นของธรรมชาติที่จะควรชิมชาต่อความมุ่งมั่นของพวกเราสิ่งที่เคยเป็นค่าสึกต่อเราเสียอีกที่เป็นสิ่งที่น่ารู้น่าเข้าใจน่าจ็ดหลาบน่าหันหน้าต่อสู้กับมันโดยเห็นว่ามันเป็นค่าสึก อีกโดนเข้าเมื่อไรไม่เคยชินชาไม่ว่าความทุกข์จะเป็นทุกข์ทางใดด้วยอารมณ์อันใดด้วยเรื่องราวอันใดซึ่งมีกิเลสเป็นเจ้าตัวการอยู่นั้น มันจะแผดจะเผาภาณในจิตใจเช่นเดียวกับไฟไม่เคยมีความคินต่อผู้ใดและใครจะคินต่อฟืนต่อไฟไม่ได้ที่เขาตรงไหนเป็นโดดผึงผึงด้วยกันทั้งนั้นนี่ไฟคือกิเลสราคาตัญหาที่มันที้เขาตรงไหนก็เป็นเช่นนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเ็ดหลาบน่ากลัวน่าเห็นภัยอย่างยิ่ง แต่ก็เป็นคนมายาของมันที่แนบเหนียนมากยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกปิดบังเอาไว้ไม่ให้เห็นโทษเห็นไผ่จึงพากันชินชาต่อความเป็นอยู่เหล่านี้จนถึงกับลืมเนื้อดูนตัวไม่หาทางออกหรือหาทางออกบ้างชั่วขณะแล้วก็จมไปกับมันเสียนี้มีจํานวนมากท่านผู้ใดก็ตามถ้าลงได้เปิดหน้าของกิเลสขึ้นมาให้รู้โดยลําดับ จนกระทั่งเปิดออกหมดจากจิตใจแล้วท่านผู้นั้นจะไม่ขนพองสยองกล้าวเห็นโทษของมันเหมือนกับฝ้าดินถล่มแล้วจะไม่มีเลยแม้แต่รายเดียวพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหัตพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระสาวกอรหัตอาหัรของพระพุทธเจ้าแต่ละโพองค์งนั่นก็ดีเมื่อได้เปิดหน้ากา ความช้ชาละามก ค, ความสกปตกโซมุมความแผดเผผความทุกข์ทจัดให้ทุกทรมานข้องมันขึ้นมาแล้วเห็นอย่างชัดเจนแล้วถ้าจะเทียบกับโลกก็เรียกว่าตัวสะดุ้งเหมือนกับจะสลบสลายไปนั่นแหละเพราะความเห็นโทษถึงขนาดนั้น เพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถประกาศสอนธรรมแกบ่บรรดาศัต้งหลายได้อย่างองอาจกล้าหาญด้วยทางความดีงามตลอดถึงธรรมอัศจรรย์ทั้งหลายซึ่งเหนือสิ่งทั้งหลายที่กล่อมจัดโลกว่าดีว่ า, ว, าวิเศษวิโสให้ติดจมอยูน่นี้เป็นไม่ห น, หนธรรมชาติเหล่านี้ที่เป็นที่ว่าสกรปรกสมมนั้นถ้าเป็นอาจมก็ยังไม่ทาพิษร้ายแก่ผู้ใด เราไปทปําปุ๋ยกันยังได้แต่นี่มันเลยนั่นหลงไปอีกจนถึงขยาดข้างคลามกลัวสุดจิตสุดใจกลัวอย่างถึงใจเห็นโทษของมั น, มนอย่างถึงใจฆ่าได้อย่างถึงทานี่ที่ไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะถูกกล่อมไม่ให้รู้ให้เห็น ตาสัมผัสสัมพันธ์กับรู้ให้เกิดความรักความชังความเบียดความโกรธอยู่ตลอดมาหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้มลิ้มรสกายสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้มีทั้งคุณทั้งโทษ ส่นมากเป็นโทษทั้งนั้นถ้าเป็นฝ่ายกิเลสผลขึ้นมาให้เป็นให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่เกลดหลาบเพราะไม่มีสิ่งที่ให้เห็นไม่มีเครื่องมือที่จะให้เห็นไม่มีเครื่องมือที่จะให้เขิดหลาบเราจึงไม่เข็ดหลาบจึงชินชาต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งๆที่จะแหว่าหตัวของตัวออก จากสิ่งเห่านี้อยู่อย่างเต็มหัวใจแต่ไม่ทราบว่าคนมายาของมันเกลี้ยกล่อมพวกเราได้อย่างไรจึงได้สนิทติด จ, จมกับมันอยู่ทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นนักปฏิบัติอยู่นี้แหละนักภาวนาอยู่นี้แหละมันละเอียดแหลมคมไม้กิเลสท่านทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณาขนาดนั้นเท่หละไม่มีข้อสงสัยเราไม่ไม่สงสัย เพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆทำเครื่องเครื่องเปิดให้ใหดูหน้ากากของมันก็มีคว้าไม่ติดมือไปเสียถูกมันปัดมันตีเอาหลุดไม้หลุดมือไปความวิทยาธรรมคือความเพียรโดยธรรมความเพียรในทางธรรมเพื่อแก้กิเลสก็มี ขติธรรมความอดความทนเพื่อต่อสู้กิเลสก็มีสติธรรมเพื่อรู้เรื่องของกิเลสก็มีปัญญาธรรมเพื่อวิภาควิจารณ์พิจารณาค่อยควรแง่หนักเบาแห่งโทษของมันก็มีสมาธิความเหนียวแน่นมั่นคงต่อประโยคพยายามอันเป็นสาเหตุก็มี แต่มันไม่มีในจิตใจของเราทำเหล่านี้ไม่มีในจิตใจของเราหรือมีไม่เพียงพอจึงไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งปิดบังลี้ ล, ลับของฝายต่าทั้งหลายไฟต่านั้นจริงกลายเป็นความสูงสุดปิดหัวใจเราเสียสิ้นเชิงไม่สามารถ เนี่หน้าดูมันได้เลย <c oughs> เนีปัญญานจงผิดเครื่องมือที่กล่าวเหล่านี้มีสัตว์ทธาวิริยสติสมาธิปัญญาธรรมขึ้นผานในจิตใ จ, จของตนนี่แหละเครื่องมือเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือที่จะเปิดให้เห็นโทษเห็นไัยของสิ่งที่เคยฝังจมอยู่ภายในจิตใ จ, จโดยที่เจ้าตัวไม่รู้มาแต่การไหนให้ แสดงตัวขึ้นมาด้วยอํานาจแห่งเครื่องมือเหล่านี้โดยลําดับลําดาตั้งแต่หยาบหยาบจนกระทั่งถึงละเอียดสุดของสิ่งปิดบังทั้งหลายเหล่านี้หรือสิ่งเปี๊ยแกรอมทั้งหลายเหล่านี้ให้เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่และพังทลายลงไปอย่างไม่มีท่าเพราะอํานาจของสติธรรมปัญญาธรรมทําลายสังหารเปี้ยม แล้วทาที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเราจะเริ่มรู้เริ่มเห็นไปตั้งแต่ขั้นสมาธิธรรมอันเป็นฝ่ายผลคือความแน่นหนา ม, มันคงของใจกลายมาจากความฟุ้งซ่านลำคาญโยกโยกคลอนทอนระหนึ่งว่าฟุตบอลที่ถูกกิีฬแตะเตะอยู่ตลอดเวลากลายเข้ามายับยัง้งชั่งตัวได้ เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องยับยั้งไว้ได้ศรัทธาก็จะมีกำลังขึ้นเป็นลำดับเมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ขั้นนี้จนกระทั่งถึงขั้นปัญญาและผลที่ปัญญาชำละได้เป็นอย่างไรไม่เคยเห็นก็ตามถึะ ลง ป, ปัญญาธรรมได้อย่างเข้าไปตรงไหนการทางลงไปแห่งกิเลสกับการแสดงออกแห่งธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นก็เ ส, สริฐอาจารย์ไปโดยลำดับลาดานนั้นจ ะ, ะจะประกาศกังวานขึ้นที่สันทิฏฐิกะจิตสันทิฏฐิกะทาง้ายในจิตใจของเราโดยไม่ต้องสงสัยจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้น ปราบกิเลสให้สิ้นทราบไปหมดจากใจด้วยมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะมหาอุดมหาทนนี่แล้วทมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นจะประกาศกังวานขึ้นที่ดวงใจโดยไม่มีแง่สงสัยแม้แต่นิดถึงจะไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่ตับใจกันใดและเฉพาะชาติปัจจ s e ันตั้งแต่วันเกิดมาต่อตา่าง จะไม่มีเรื่องสงสัยแม้อนนึงหนึ่งตาฝุดอยู่ภายในนั่นเลยจะมีแต่สันติโกที่เห็นหลักธรรมชาติอันเป็นของประเสริฐเหนือโลกทั้งหลายประจักษ์กับใจของเา่าจะพูดว่าธรรมก็ไม่ขัดพูดว่าจิตก็ไม่คล่องไม่สงสัยเพราะจิตกับธรรมได้กลายเป็นอันเดียวกันหมดแล้วนี่แหละท่านว่าธรรมโมปีปูสว่างพระจรย์แจ้งไปหมด สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นตั้งแต่วันเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอันใดจิตใจตรงนี้ก็เป็นตัวรู้มาตั้งแต่วันอุบัติก่อนหน้านั้นเราไม่พูดถึงจนกระทั่งบัดนี้มันรู้อยู่ในยิสัยของจิเลสพาให้รู้ให้เห็นมันไม่รู้ในยิสัยของธรรมพาให้รู้ให้เห็นมันติงต่างกันที่ตรงนี้เมื่อเปิด วิสัยของจิตเหตุออกไปอํานาจของจิตเหตออกไปเอาวิสัยของธรรมอำนาจของธรรมสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสิ่งที่ทำควรจะรู้ทำต้องรู้ต้องเห็นเป็นลํำดับลาดาจนกระตั้งเห็นสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดภายในจิตใจหายสงสัยไม่ต้องถามผู้ใดเฉพาะ อ, อย่างยิ่งความบริสุทธิ์แม้พระพุทธเจ้าขี่พระองค์จะประทับอยู่ต่อหน้าต่อตาและสาวกอราหารันอราหารันขี่หมูขี่ล้านองค์ นั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาซึ่งเคยสงสัยและเคยทูลถามท่านหรืออยากทูลถามท่าน้ำหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งสันทิิโกเป็นธรรมชาติีิตัดสิ๋งอยู่ในตัวเองโดยสมบูรณ์แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงประกาศให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าสันทิิโกสันทิิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองปจัจจตังเวดิตบโบวิยน คือท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นท่านรู้ด้วยตนเองทั้งนั้นเป็นสันทิโกโด้วยตนเองทั้งนั้นถึงท่านนี้แล้วไม่ทูลถามพระพุทธเจ้ า, จาเพราะพระองค์ประกาศทมทั้งหลายลงในจุดนี้ทั้งหมดแล้วมอบให้เจ้าของเป็นผู้ตัดสินเองอาขาตโลตถาคตาน พระพุทเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นผู้ที่จะตัดสินตนเองด้วยสันธิิโกนั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเราคุ้มทราบไปโดยลําดับลําดับและคําว่าสันธิิโกก็เป็นมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงสันธิริโกในวาระสุดท้ายสังหารชีวิตให้จิตหายไปพวงไปหมดแล้วเหลือแต่วความมืดสุดล้วนนั่นแหละเป็นสัสันธิโกวาระสุดท้ายเอมส่วนสมบูรณ์ นี่ทำอัจฉ ร, รย์ก็มีทั้งเหตุมีทั้งผลคือเครื่องมือที่จะถึงทาอัจฉ ร, รย์และเครื่องมือที่เครื่องปราบสิ่งที่มืดมิดปิดตาของเราทั้งหลายไว้ก็มีพร้อม <c oughs> ตลอดถึงผลคือทาเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจกนกระทั่ถึงทั้งถึงทาอันวิเศษสุดยอดก็ได้ประกาศเอาไว้และจะเป็น เราเองจะเป็นผู้รับทราบเราเองจะเป็นผู้ทรงทรรมเหล่านี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราไม่มีผู้ใดจะสามารถรู้ได้เห็นได้นอกจากผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมนี้เท่านั้น <c oughs> เราจงมั่นใจในศาสนาธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วตลอดครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นที่แน่ใจแสดงให้เราฟัง ให้เป็นที่ถึงใจนําไปพปฏิบัติอย่าเห็นกิเลสดีกว่าครูครูอาจารย์ที่กว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะกลายเป็นเทวทัศน์ในร่างแห่งพระแห่งร่างนักปฏิบัติโดยไม่รู้สึกตัว <c oughs> วันหนึ่งวันหนึ่งล่วงไปล่วงไปนั่นเป็นการเป็นเวลาสังขารร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราจะนําไปทําประโยชน์ก็ ฝึกหลอเรื่อยไปเช่นเดียวกันอ่อนลงทุกถีทุกถีแต่ศรัทธาเบียสติสมาธิปัญญาของเราไม่เห็นมีความเจริญก้าวหน้าต่ตามมันเวลาแล้วก็แสดงว่าเรานี่นอนใจจนเกินไปาหาความหวังไม่ได้ความหวังที่ตั้งไว้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องสนอง ให้สมหมังด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนนี้เป็นเครื่องสนองซึ่งถูกต้องดีงามสมกับความมุ่งมั่นรือมุ่งหมายที่เรามาประพฤติปฏิบัติ <c oughs> เราจะมองที่ไหนมองอะไรให้ยิ่งกว่ า, าศาสดาให้ยิ่งกว่ า, าศาสนาธรรมสมกับว่าพุทธังธรรมังสังขังึังขะนังขฉามีที่ฝังแนบแน่นอยู่ภายในจิตใจแม้ชีวิตก็ถวายได้เพื่อพระธัรนาทั้งสามนี้ เอาอย่างนั้นแล้วอย่างไงก็ไม่พ้นที่จะรู้เห็นสิ่งอัศจรรย์และที่จะรู้เห็นเห็นมหันต์โทษมหันต์ทุกข์ทั้งหลายซึ่งกิเลสผิดขึ้นมาพร้อมทั้งตัวกิเลสทุกประเภทจะไม่พ้นจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรานี้ไปได้เลยไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่เพราะกิเลสไม่มีการ ม, มีสถานที่มันคือกิเลส แต่กลับไหนกันนายทั้งโกตรทั้งแจดูกเต้าหลานเหลียญทงมันมันตั้งบ้านตั้งเดือนอยู่ที่จิตใจของเรามานานเท่าไหร่มันไม่เคยทำเงินวันนั้นจะครบกเกษียณวันนี้อายุจะครบแล้วจะได้พังทลายลงไปจากี่จิตใจของศาสตร์โลกนี้ไม่เคยมีอืมเป็นอาการยิ่โกเช่นเดียวกันถ้าแก้ค่าตอดถอนมันไม่ได้มันเป็นอาการยิ่โกรธทําก็เป็นอาการยิ่โกเหมือนกัน นี่หลักสําคัญจริงอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่การที่สมัยอยู่ที่อากาลิกกิจอกาลิกธรรมอาการลิโกรรอาการลิโ ก, า ก, าโกไม่มีการไม่มี ส, สถานที่ไม่มีเวลาทําสถิตได้ทุกเวลาทําแก้ที่เลดได้ทุกระยะทุกเวลาทุกอิริยาบทของผู้นําไปปฏิบัติเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่หัวใจทุกเวลาทํางานเพื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ขอให้นะักปฏิบัตินำนี้เข้าไปแก้ไปถอดไปถอ น, ถ อ, นอย่าคิดถึงเรื่องความลำบากลําบนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสสร้างขวากสร้างน้ําให้ก้าวขาไม่ออกก้าวสู่ความเพียนไม่ได้เั็นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนับแต่ความทอดแท้อ่อนแอความเล้วไหลความขี้เกียจขี้ค้านความน้อยอกน้อยใจมีแต่เรื่องของกิเลสมันสร้างขวากสร้างน้ําให้ก้าวไม่ออกขึ้นที่ว่าจะก้าวเขา้าสู่ความดีงามแล้ว มันจะสร้างความท้อใจไว้ให้หมดทุกด้านทุกทางปิดกั้นไม่หาทางเดินไม่ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสเวลาประกอบความเพียรเข้ามีความทุกข์ความลาบากก็หาเรื่องสะอาดใจธรรมไปเสียกิเลสนั่นแหละพาหาเรื่องใส่ทําไม่ใช่ทําหาเรื่องใจใจธทําเองเป็นเรื่องของกิเลสแต่เราไม่ทราบปนอุบายที่มายาของมันทําความท้าเพียรได้รับความทุกข์ความลําบากซึ่งเกิดจากการหยิดความของกิเลสเราก็ว่า การมันเป็นทําลําบากไปเสียเราไม่คิดว่ากิเลสนี่พาให้ลําบากกิเลสนี่พาสร้างฝาสร้างน้ำกิเลสนี้เป็นตัวภัยต่อการดําเนินธรรมเราจึงไม่เห็นโทษของมันแล้วไม่ฝ่าฝืนมันถ้าลงได้เห็นโทษของมันแล้วความฝ่าฝืนไม่ต้องบอกเราจะเห็นได้ในคนคนเดียวนี่แหละเวลารเริ่มประกอบความภาคเพียนที่แรกสิ่งเหล่านี้หนาแน่นมากที่เดียวอันใดที่จะเป็นกําแพงปิดกั้น มักผลนิพพานแล้วจะแน่นหนาอยู่เต็มหัวใจเราก้าวไม่ออกตาก็มองดูทําไม่เห็นแต่มองดูที่มองไปตามที่เดชสั่งให้มองนั่นไม่มีใครตาดียิ่งกว่าตาที่เดชพาให้มองหูก็เหมือนกันจัหมูกกิ้งกายแต่จะเป็นเครื่องมือของที่เดชแล้วคล่องตัวมัวนจะเป็นเครื่องมือของธรรมนี้ มี่อจะหลุดลุ่ยไปเรื่อยๆถูกกเกลเยดมันทับมั น, ม, น, ม, นมันทุบมันตีนี่ท่านเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นนเวลาพยายามถูไถไปโดยลำดับํำดาหลุดมือไปคว้ามาอีกหลุดมือลงไปคว้ามาอีกหลายคั้งหลายหนก็สับได้ฟันได้ขุดกเกลเยดได้โดยลำดับลำนาจนกระทั่งถึงเรียงไก่มีกำลังเต็มที่แล้วเราจะรู้ได้ชัดว่า สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ที่ว่ามันปิดท่านกําแพงเจ็ดขั้นสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้นนั้นจะจางไปจางไปจางไปจนกระทั่งพังทลายลงไปความที่เกียดที่ข้านความท้อแท้อ่อนแอโลเลโรกเรกไม่มีเลยในหัวใจทั้งๆังที่เกลียดก็ยังมีแต่เพราะอํานาจของธรรมเหนือกว่ามีกําลังมากกว่าที่นี่เป็นกําลังของธรรม ท, ทั้นั้นแต่ก่านเป็นกําลังของเกลียดแค่ข้านต้านทานจิตขวางเอาไว้ ให้ก้าวขาไม่ออกก้าวจิตเข้าสู่ความเพียนไม่ได้พออนนี้จางไปจางไปเรื่องพราะอํานาจของธรรมหนุนเข้าไปเสมอวิริยะธรรมหนุนเข้าไปสติธรรมสมาธิธรรมหนุนเข้าไปขันติธรรมหนุนเข้าไปเรื่องของกิเลสก็กระจายตปกระจายไปพังลงไปพังลงไปที่มีความขี้เกียจที่ข้านความทอดแท้อ่อนแอหายหน้าไปหายหน้าไปมีแต่ความ ขยันหมั่นเพียรมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่จะเอาให้หลุดให้พ้นโดยสายเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็เอาให้หลุดพ้นไปจริงๆแล้วย้อนมาดูเรื่องสิ่ ง, ง่านี้เป็นแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวนไม่มีเรื่องทำแน่นิดหนึ่งแสนอยู่เลยมีความเจียบค้านเป็นต้นนี่ไม่มีเหลือนี่เราจึงต้องเห็นได้ชัดเลยถ้ามันมีอยู่ในหัวใจตรงเดียวในขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นในระยะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนสภาพมาด้วยอํานาจแห่งธรรมกำจัดมันลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงทางทลาไปหมดจากจิตใจไม่มีเหลือเหลือแต่ทาล้วนแล้วไม่มีคําว่าี้พิจิตรคำว่าอ่อนแอคำว่าทอดแท้เรื่อยไหลคำว่าอํานาจมาสนาน้อยไปไม่ได้ไม่มีไปมาได้ยังไงก็ไปให้เห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่ให้เห็นประจับตายไม่รู้ได้ยังไงสุดวิสัยยังไงรู้อยู่นี่ถ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยรู้ได้ยังไงรู้รู้เห็นเห็นอยู่นี่หนักนี่แหละระหว่างทำกับ โลกหรือกับอะธรรมที่เป็นค่าศรกกันมันเป็นกันหนังนี้ในหัวใจเราดวงนี้อยู่บนเวทีเวทีของจิเลตระหว่างธรรมกับกิเลตต่อสู้กันอยู่บนหัวใจไม่มีใครจะรบได้ถ้าไม่ใช่เป็นนักรบต่อการกันบนเวทีด้วยความภาคเพียรยาชินชา ต่ออายุพรรษาอย่าชินชาต่อสถานที่ต่อครูต่ออาจารย์อย่าชินชาต่อต่อธรรมแล้วย่อมรับกิเลสย่อมรับกิเลสไม่เห็นมีความชินชาหน้าด้านกับมันมากลายมาเป็นหน้าด้านต่อธรรมไปเสียก็เพราะมันกล่อมนั่นเองให้รู้ให้เข้าใจเรื่องความเป็นห่วงเป็นใ ย, ยหมู่เพื่อนนั้นห่วงมากเป็นใ ย, ยมากเป็นห่วงเป็นใ ย, ยมาก สุขภาพลดลงทุกวันทุกวันเจ้าของรู้ตัวของเจ้าของมันลดลงทุกวันแต่หมู่เพื่อนพอที่จะในเรื่องได้ลาวมันก็ไม่ได้จะว่ายอย่างไรมองดูตาก็ทิมเข้ามาฟังัางหูก็ทิมเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ตรงไหนทิมเข้ามามมทิมเข้ามามีแต่เรื่องหอบเรื่องแหลมเรื่องเหลาอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องธรรมที่อบรมสั่งสอน ให้ลาบตื้นภ า, ายในตาในหูมีอันเกิดจากผลของผู้นั้นได้ปฏิบัติมามันไม่ค่อยมีและยิ่งมาหลังไหลเข้ามามากเท่าไหร่ก็ยิ่งระปนคนกันไปหมดไม่แม้ทราบองค์ไงเป็นยังไงองค์ไหนเป็นยังไงแล้วจะเหลวแหลกแหวกแนวไปตามๆกันหมดนะอย่าว่าไม่บอกนี่บอกนอกจากไม่ไม่ดูเหมือนไม่ดู เหมือนไม่ได้ฟังแต่หัวใจนี้มันอดไม่ได้สัมผัสทับที่ตรงไหนความรู้เรื่องดีชั่วผิดถูกประการต่างๆจะต้องปรากฏขึ้นภายในหัวใจทันทีทันทีขณะที่สัมผัสสัมพันธ์ต่างๆเป็นต้นงนั้นเพื่อนควรจะทำความน้อมั้ตะหนัซึ่งคือก็เคยได้เตือนแล้วไม่ใช่เป็นของละเอียดเป็นของหยา บ, ยบ มาเกี่ยวข้องด้วยกันเสียงหรือกระทึกทุกขโมงจริยามายาตเป็นตัวคึกตัวขนองไปไม่ใช่เป็นจริยาของผู้เห็นภัยต่อกิเลสตัณหาอสะวะไม่เห็นภัยต่อข้าสิทเห็นคุณค่าต่อความเปลี่ยนพอที่จะนิ่มนวลในกิริยาทั้งหลายที่ได้เห็นและชื่นใจสําหรับผู้ได้เห็นได้ยินนีม่มันกลับเป็นเรื่องโก ง, งข้ามไปเขียนิริยาอาการต่างๆ เป็นเรื่องคลึกเรื่องขนองเป็นเรื่องของยิ่งใหญดูไม่ได้เจ้าตัวไม่รู้เหมือนอัดอั้นตันใจอยากแสดงอยู่เท่านั้นเนี่ยพอได้โอกาสเมื่อไหร่เป็นผึ่งผึงออกมาทันทีผึ่งผึงออกมาทันทีให้เห็นต่อหน้าต่อ ต, อ ต, อตามันก็สลดสังเวชอดไม่ได้นะคู่ให้อวาสแนะนําตังสอนด้วยเจียตนาที่หวังตอมูตอเพื่อนอย่างเต็มหัวใจไม่มีอะไรบุกคลหนึ่ง เพียงได้พูดให้ฟังเสมเอแล้วภูวาอาจารย์ปรีเรากรีไม่ใช่เป็นของแน่นอนที่จะอยู่กันไปตลอดกับตลอดกันนั้นมีการพับท่าผันแปรกันไปได้ทั้งสองฝ่ายนั่นเองเวลามาศึกษาอารมที่จะได้หลักได้เกณฑ์ไปประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองก็ควรจะขมักเขม้นเอาให้ได้บังคับให้ได้การบังคับก็คือบังคับกิเลสนั่นเองไม่ได้บังคับธรรม เราบังคับกิเดชไม่ได้เราจะเห็นเอาทำมาจากที่ไหนกิริยาการแบบนี้มันออกมาจากความตกดันของจิตใจให้แสดงออกมาเราบังคับจิตใจไม่ได้เราจะบังคับกิริยามันก็ไม่ได้เพราะใจมันเร็วกว่ากิริยานํากิริยาไปใช้เป็นเครื่องมือการพูดการจากิริยาไมายะของมันอย่างราบรื่นไปเลยเดยียวไม่มีอะไรขัดขวางเพราะสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไม่ทันมัน นี่ที่ททำให้หนักอกหนักใจเราได้ย้อนหลังพิจารณาไปถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ของท่านเช่นหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านอยู่แบบนักรบแบบธรรมนวนๆพระก็ไม่มากองมีแต่องค์เห็นภัยด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างสะดวกสบายาเวลาเท่าแก่ชรามาท่านก็มีการรับบ้าง ดูก็งามหูงามตาตลอดเวลาการพิษปฏิบัติการกบกันถ่ายกันการกบกันฉันการใช้สอยต่างๆไม่ฟุ้งเฟื้อไม่ล้นเหลือไม่ฟุ้งเฟอ้อพูดให้มันเต็มปากก็คือนี่จะขาดขาดเ ข, ขินเขินเขี้มเขียมทั้งนั้นทางด้านวัตถุเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยแต่ทางด้านธรรมะของท่านนั่นเองตรงเวลามเมลา เลือนฟูงลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันเพราะฉั้นแล้วต่างองค์ต่างไปเที่ยวหาสถานที่บีกเล้นประกอบความภาพเพียรเงียบเหมือนไม่มีคระเราเห็นกันก็นกพูดซุบซุบคิปเล็กๆได้น้อยพูดก็พูดถึงเรื่องอัดเรื่องทาแล้วกิเลส จ, จะเข้าไปทําลายได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีแต่การฆ่ากิเลสโดยลําดับลำหนา พวกเราเนี่ยมันกกงกันข้ามมีมากเท่าไหร่ยิ่งเลอะเลอะเธอะเถอะอกจะแตกเจ้าของมันไม่รู้ไม่มีเจตนาหรือมีก็ไม่อาจทราบได้เมื่อบวกกันเท่าแล้วมันก็นเลอะเลอะเธอะเถอะไปหมดเอามาผลนิพพานจากความเลอะเลอะเถอะเอะได้ที่ไหนน่าคิดไหมเจตนาย บางทีอุโมงค์สั่งสอนหมู่เพื่อนมานี่งในเต็มคติกำลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบางอย่างไม่ใช่เป็นของละเอียดเลยเป็นของหยาบหยาบสิ่งหยาบหยาพูดแล้วหมู่เพื่อนไม่รู้เรื่องมีเยอะเอาไปนําไปคิดไปพิจารณาไม่แล้วนะนี่นะการสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็สั่งสอนด้วยเจตนาเต็มอัดเต็มทำไม่ว่าจะพูดส่วนหยากส่วนกลางส่วนละเอียดพิจารณาไกลกรองแล้วถอยค่อยๆแสดงออกมา แต่ยาบหยาบแท้ๆทาไมหมู่เพื่อนจับไม่ได้จับวอตถุปฏิบัติตามอันยับหยาบนี้ไม่ได้เหตุแล้วเหตุใดอันละเอียดยิ่งผลนี้จะสามารถจับได้ปฏิบัติได้ให้รู้ได้เห็นได้มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ย้อนเข้ามาตรงนี้อีกแะเพราะส่วนหยาบเท่านี้มันก็ยังจับไม่ได้หลุดไม้หลดหุดมือหรือไม่สนใจฟังเพราะจิตอํานาจของจิตมันเลื่อนมันลอยหาหลักเป็นมาได้เหมือนว่าเชื่อกขาดที่บนอากาศ มีแต่หัวปักลงท่าเดียวใครก็ทราบไม่ได้ไม่อาจทราบถ้าเจ้าของไม่มีสติปัญญาจะทราบตัวเองแล้วปรับปรุงแก้ไขตัวเองไปโดยลำดับลำ น, นาเท่านั้นจึงจะเป็นเครื่องนำมายืนยันต่อสายหูสายตาของป่้นสูงตลอดครูบาอาจารย์ได้ว่าเป็นที่งามตางามใจง <c oughs> านสอนก็นสอ น, นอยากให้รู้ให้เห็นอย่างเต็มหัวใจ มีอะไรปฏิบัติมาอย่างไรทั้งเหตุหนักเบามากน้อยเพียงไรก็นํามาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นคติเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ใช่เพื่อความอู้อะโอะ้โอวดโทนทนาตัวเองว่าดีวิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่มีอย่างนั้นแสดงมาแง่ใดก็เพื่อเป็นคติของหมู่พเพื่อนเพื่องชักจูงสมกับว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่เพื่อนฟูงได้เสกสรรตั้นดอขึ้นมา เราสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อยากให้รู้ให้เห็นแตเพราะอย่างยิ่งระหว่างกิเลสกับธรรมนี้ต่างกันอย่างไรเราอยากให้แยกธาตุทั้งสองธาตุนี้ออกดูด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างแท้จริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้ย่างไงธรรมที่ท่านตรัส ร, งง ร, สรู้นั้นเป็นธรรมประเภทใดอยู่ที่ไหน เราอยากให้หัวใจของนักปฏิบัตินี้ได้ปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกทุกประเพณ ท, ทุกอัตทุกธรรมแล้วได้รู้ได้เห็นอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นจะคัดค้านพระพุทธเจ้าได้ไหมคําที่ว่าทำอัศจรรย์โลกจะทำทำเหนือโลกหรือทำแดนกเกษมหรือนิพพานังปรมังสุ ข, ขังนั้น จะมีที่คัดค้านกันได้ไหมภายในหัวใจของเราที่ได้แสดงเต็มดวงขึ้นมาอย่างนั้นแล้วจะมีที่คัดค้านได้ที่ไหนถ้าไม่ยอมกราบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นกราบอย่างราบชีวิตจิตใจมอบได้เลยเท่านั้นไม่ได้คํานึงถึงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปกี่องค์แล้วและนานเท่าไหร่เลยเพราะความจริงในหลักธรรมชาติที่ปรากฏเด่นอย่างเด่นชัดเต็มหัวใจเราอยู่นี้ประกาศกังวันอยู่กับเราอยู่แล้ว ว่าเป็นข้อยืนยันเช่นเดียวกันนั้นแล้วเราจะสงสัยที่ไหนมันไม่มีทางที่จะสงสัยนี่แหละที่ว่าอากาลิโกอาการดิกระจิตอากาลิกธรรมเมื่อเข้าถึงใจแล้วเป็นอยู่ที่จิตรู้ที่จิตเรื่องเจเลสมันเป็นความลามกจกเปรตขนาดไหนขนาดไห น, น, ไหนมันจะรู้กันมาโดยลําดับลําดาเมื่อมีทำเครื่องสองเมื่อมีทำเครื่งรู้ แต่ถ้าไม่มีไม่สนใจกับทำแล้วจมกันไปกับกิเลสนี้ตลอดกับตลอดกันก็เป็นอาการริโกเช่นเดียวกันเฮาเลือกที่เรานักปฏิบัติให้อยู่กับกองทุกข์ให้กิเลสมันโยนลงเหวลงบ่อลงนําร้อนนรกอะไรีขนาดไหนมากกี่กับกี่กันเรายังจะพอใจอยู่หรือหรือเราไม่เชื่อหรือวัานนรกไม่มีเราไม่เคยเกิดเคยตายนี่คือตัวนัก ตกนรกนี่คือตัวนักเกิดนักตายจิตภพจิต ช, ชาติให้ดูดวงจิต ด, ดวงนี้เป็นนักที่สุดด้วยกันทุกดวงใจไม่ว่าสัตว์ดิบชานไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าอิ่มท ม, มทั้งหลายมีแต่นักท่องเที่ยวนักเกิดแก่เจ็บตายนักตกนรกขึ้นสวรรค์วกไปเย็นมาอยู่นี้ด้วยอํานาจของจิตเด็ชมันควบคุมไว้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ให้พ้นไปจากนี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่สงสัยนี่ไม่สงสัย ดูใจตรงนี้แล้วกระจายไปหมดเลยพอได้ลาบวิเดชมาสังหาร ใ, ให้เรียกพุดหมดแล้วไม่มีสะพานไม่มีเชือกที่มันจะลาบเราไปลงที่นั่นที่นี่เชือกคือเชือกคือเชื้อ อ, อ, อ, อ, อวิชานั่นเองตัวพาให้เกิดล่ะนี่นี่คือตัวพาให้เกิดตัวลาบจับไปเกิดที่นั่นที่นี่คืออวิชชาเกิดสูงๆตำๆลุ่มๆนอนๆนั้ น, น, นได้แก่มิบา ก, กรรมดีชั่ว ที่แฝงไปกับอวิชชาอันพาให้เกิดนั้ น, นมันมีอยู่ด้วยกันทุกจิตทุกดวงของสัตว์ของบุคคลไม่สงสัยนี่แหละพายเกิดให้ตายนี่แล้วเรายังสงสัยอะไรอีกว่าเราไม่เคยเกิดเกิดตายไม่เคยโดนบาปโดนบุญกุศลแล้วตลอดถึงตกนรกเอลไรกี่แล้วสงสัยที่ไหนสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่อย่างตายตัวไม่มีอะไรที่จะมาลบล้างอันคํำว่า นรกก็มีสวรรค์ไมมีบาปมีบุญไม่มีมันเป็นกลโุบายของกิเลสมันลบล้างต่างหากนี่ฟังได้ว่ากิเลสตัวหลอกลวงไม่มีใครเกินกิเลสหาความจริงไม่น่าก็คือกิเลสเป็นผู้เสพสันต์ปั้นเราเอาเองหลอกสักโลกมาโดยลําดับลําดาจนกว่าจะมีทำเป็นเครื่องแก้กลมันนี้ซองเข้าไปสู่ดูความจริงแล้วก็หมดความเชื่อความโน้มสายต่อมันแล้วยังเห็นมันเป็นค่าศิษตัวตนเองอีกด้วยอํานาจแห่ง แสงสว่างทําที่สองเข้าไปถึงจนกระทั่งจนงพังทลายตัวเข้ามาออกหมดแล้วอะไรมีที่ไหนทํำไมจะไม่เห็นจริงมีกิเด็ดอย่างเดียวเท่านั้นปิดบังหัวใจไว้จึงไม่เห็นแล้วสงสัยอะไรเกิดมากี่พบกี่ชาตินับได้เมื่ อ, อไหร่กิ่แต่และด ว, วงนับดวงนี้นับไม่ได้นะกี่กับกี่กันเป็นมาแล้วและยังจะเป็นไปอีกทานองที่เป็นมานี้เป็นอย่างมนุษย์นี่ก็ทำเนา่าจมจากมนุษย์นียลงไปนันที เราแน่ใจได้เมื่อไหร่เพราะกิเลสมันทาคนให้พ้นทุกเมื่อไหร่มันจะลากคนลงในกองทุกข์ทั้งนั้นเรายังจะนอนใจเชื่อกิเลสโดยไม่ยอมรู้สุดตัวอยู่เลอมันควรจะพิจารณาให้มากแต่พอนักปฏิบัติของเราให้เห็นดิโทษของกิเลสมีเต็มหัวใจทําไมทําก็ควรจะมีได้เต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพื่อจะได้ดูกิเลสหน้าของกิเลสกับ ทำนี่ต่างกันอย่างไรบ้างแล้วโทษกับคุณโทษของมันกับคุณของธรรมนี่ต่างกันอย่างไรบ้างมันควรจะเห็นถ้าผู้ปฏิบัติไม่เห็นไม่มีใครจะเห็นแหละอ่านก็อ่านไปถึงตำหนักตำดานับถือศาสนาก็นับถือไปอย่างนั้นถ้าลงไม่สนใจแก่เยื่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่มันไม่ได้กลัวคนอ่านคนนับถือศาสนาแล้วคนยันตำหตนักตำรามามากมันกลัวตั้งแต่คนปฏิบัติเพื่อจะกำจัดมันเท่านั้นท่านพี่เรียกว่าปฏิบัติ ปริญาตปฏิบัติปฏิเวทนี่ผู้ที่จะทํางายกิเลกก็คือผู้ปริญาตเทียนเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งนี่นี่กิเลสกลัวตรงนี้กิเลสไม่ได้กลัวนอกจากนี้ไปเลยฉันขอให้ทุกๆุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้รอแหละโยกโยกคอนคอนอกจะแตกแล้วนะผมปฏิภาณอยู่ภาพไปความมาเราปฏิบัติรู้สึกหน่อยแนละ้ว เราเราพูดกงงๆน่อย่า้เราเคยพูดกับหมู่เพื่อนมามากต่อมากเลยอย่าลากเราไป ล, ง, ลงนรกงั้นมากกว่าเมื่อเราชกี่ยตัวกังไม่ได้อย่าลากเราไปอย่างนั้นไม่ได้นางเพียงคันเท่า น, นั้นอะไรกัมันดินน้ําลมไฟอะไร อ, อะไรกับมันวิเสศษวิสูจนอะไร ฆ่ากันใชม้มาแล้วจังแต่วันเกิดเมือนหมดสมรรถภาพมันแล้วก็ปล่อยมันเลยไมอทรมานไม่ได้ถึงเวลาของเราที่จะทําให้เราเป็นอย่างนั้นไมได้นะถามเราไปนู่นถามไนี่ไม่ได้นะทังให้ถึงใจนั่นอย่าเราไม่เป็นแบบนั้นเป็นทางขาเราจะอยู่ที่ตรงไหนให้ตายตรงนั้นเลยไปว่าได้ตรงไหนตายตรงนั้นเหรอยาเอ า, นาหนีโยมย่านไปไหนขัด มากทีเดียวเราพูดอย่างเต็มหัวใจออกม า, ากับความเป็นหัวใจเราบอกเราไม่เคยจะทุกระทรานกับเรื่องความเป็นความตายพื้นน้าหนักเท่ากันในความรู้ถึงเราเป็นอย่างนั้นเหมือนใจไม่ได้หรือไม่ได้ก็อยาด่ดีอยู่ดีเนี่ยเหมจะตายแล้วก็อาตายดิเนี่ยเท่านั้นเองเรื่องธาตุานนาขันจะไหลเท่า น, นั้นมีอะไรายเป็นใจธาตุขันเป็นธาตุขันรู้กันอยู่ชัดๆเว้นเป็นทำไม เครื่องมือเองใช้มันก็เหมือนวัตถุต่างๆวัตถุอันนี้ก็ดีพิดอะไรของมีแต่ความความรู้มันชานไปตามประสาทต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือของความรู้นี้ใช่ตัางๆต่างตาเห็นรูกนี้นนี่ประาสัมผัสทั่งฟันสิ่งนั้นนี่รู้นั้นอันนั้นรู้นั้นอันนั้นรู้นั้นมันเป็นเครื่องมือของแต่ละอย่างเครื่องมือนี้ใช่นี่เครื่องมือนี่ใช่นี่เครื่องมือนี้ใช่นี่โดยอาศัยเจ้าของเป็นหลากใหญ่นําเครื่องมือไปใช้นี่โดยอาศัยใจเป็นเครื่องมือนใหญ่โอเป็นเป็นตัวการอันใหญ่ ที่จะใช้เคื่องมือประสาทต่างๆในร่างกายของเราพอหมดจะมาลา บ, บแล้วถอนนนั้เอามาเสียมันก็ลงเท่านั้นเองมันชืบหายไปไหนวิญญาณมันถึงที่ถึงฐานของกิจของธรรมไปแล้วสงสัยไปไหนนี่ไม่สงสัยนะพูดตงๆนะผมพูดอย่างอย่างนี้ค่จะจว่าอาหารที่อาหารใครจว่ามาก็บอกว่าบ้าไปสปากใครมีแต่ความจรินของเราจะพูดเต็มหัวใจวอของเราออกมาจากหัวใจของเราเต็มที่เลย ราไม่ใช่ตุกตะเราพูดฮ่องกงไม่เคยกลัวไม่เคยกล้าหลักธรรมชาติมียังไงอยู่ตามหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติเท่านั้นหลวงพ่อสงวาระกิจท้ายปล่อยความรับผิดชอบอิจฉาผึ่งหน่อยนะจะควรกินควรขบควรจันทรควรขีดควรอะไรในเรื่องเราเห็นเองอนุญาตเองพอใจเองเห็นด้วยเอง เราสนแล้วกันาดขันตายอย่างสบา ย, ยบอกว่าโรสูงเศร้าน้อย่าจะตายนีไม่โศกวันเลยไม่โศกไม่เศร้าไม่รื่นเริงจะอยู่ตามความจริงรู้ตามความจริงตอนนั้นไปตามความจริงที่มันเป็นมายัางไรลุ่มๆนๆอลุ่มดังๆลุกคุณครับถูดหมดก็เป็นมาหมดแล้ว เราไม่สมใจเรองนันีเป็นอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้ตามมันเป็นนี้จะวางไงอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้พูดตามเรื่องมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบัน เ, เป็นอย่างนี้ดันั้นแน่ใจว่าไม่มีอดีตแล้วพูดอีกด้วยในหะัวใจะลงนี้อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นแทบอกจะแตกจะเป็นจะตายก็สิ่งที่จะแทบอกจะแตกอันเป็นปฏิปักษ ปฏิปัปกต่อกันเข้ามาทำลายหัวใจทุกวันเลยสิมันตึงกรุดสังเวชนะถึงถึงมงุ่งที่วางมันไม่ปรากฏถึงไม้พึงปรารถนามันแสดงตลอดเวลาเต็มท่าเต็มเงนินนาะนี่ใครได้ความที่เฉลี่โสเพราะความขี้เกียดอ่อนแอก็อแท้เรื่อยนมีไหมเอามาอวดสิก็บอกว่าเลยนี่คือตลาดของกิเลสทำงานางนี่าบอกอยู่แล้วเนี่ยจะเข้มแข็งเพื่อให้มันพลิกเรื่องของกิเลสลงบ้างมันไม่ได้เลย ถ้าความเพียรกลัจะตายหรือนั่นแหละความกลัวตายเรื่องของกิเลสล้นล้นน่ะตรงตลาดขายสัตว์นั่นแหะตรงพปีกนามันถึงความจริงแล้วมันไม่มีอะไรตายมันเชื่อขนาดนั่นเลยว่ะไงเชื่อแบบไมส่สนใจจะถอนด้วยถอนไม่ขึ้นด้วยไมส่สนใจจะถอนด้วยเรากลัวตายกับกลัว เราไม่กลัวบอกว่าไม่กลัวหากไม่กล้าตามหลักธรรมชาติเลยเดียวหว่วงไปหว่วงน้าอะไรสมบัติธาตแสงอะไรเรื่องความมีความเป็นทั้งหลายเราไม่รับรู้มันก็มีก็เป็น้องมันตามธรรมชาติเรารับรู้มันก็มีก็เป็น้องมันอีกแั้วนั่นอยากให้เพื่อนได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยคาดเคยหมายแต่ว่า เป็นตเต็มหัวใจนี่มันเห็นมึงจริงจีเกเรเต็มหัวใจมันก็เห็นมาแล้วมันเป็นยังไงทําเต็มหัวใจใจเป็นทําทําเป็นใจเต็มดวงมันเป็นยังไงฮะมันเห็นมึงสิพระเจ้าไม่ใช่โอ์โกหกทําไมไม่เชื่อเชื่อจากเกเตัวโกหกมันได้เรื่องอะไรเกเรมันเคยมีตัวไหนตัวจริงมีแต่ตัวโกหกนั่นกินป้อนหลอกบวงทำมีแต่ของจริงล้วนทำไมมาฟัดมาเหวีย่ยงทาไมไม่เมาฟัดมาเหวี่ยง ก, กันมัง่ง รย่ลืมตัวลืมตัวนี้ ม, มันค่อนแสไปเร็วที่สุดนะอะไรไม่รูอ้าวจจะคนที่แสขอจะไปแล้วนะขอไปอยังว่าวไปนั่นไปนี่